พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องสังสินธนูใจผูกซิบเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปเปรียนธรรมกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมปุทตธะธ อาตาโกกุมมารนาการจังลักเคนาจีนิตาติสทธาวดูราสปุริสาตังหลตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันเฝ้าอยู่ฟังธรรม ส่วนนั้นว่าเจ้าองค์คำนอแก้วกันว่าแป้แล้วยังนากราชาด้วยมากสกัาทวนแปดสัญญาแคว่กาเป็นปายเจ้าบุญภายจริงกล่าซึ่งนาต้าหอวใจว่ากำอันใดแต่เก้าอันตานเจ้าปันธนัน ว่าจะาปั่นภาษาต์ตั้งดางนาสะนมตามอารมณ์มักไฟสุดเสียงไข่าปาราบัตรนีนาเราแปะต้านจุงแกปันน่นทานเราบ่าพันไขรใดยังภาสัตย์ใหญ่เจียงคานมุกด้านลายแล เงินคำแผ่เลือตาตั้งปาราเมืองกวางเราหมออังเพิ่งใจเตา้าว่าขอสี่นองไว้หนุ่มเนา <c oughs> งามบ่าสาวสุวรรณรังสีเพื่อเอานีเมื่อสูญยังที่อยู่เวียงใจตั้นจุงไปอย่าจ้าเอานางลามาปั่นแดดเตอ ว่าันเหมือนนั้นพญานาคตนอง์อาจก็ตอบเจ้าน้อยนาศพันว่าเราจักปั่นบ่อใดยังแก้วแก่นไทยส่วนรังสีเงินคำมีเหมือนเต่าจักหือยอปั่นเต่าวะสีสุพันณนัดน้อยเราบ่อปล่อยวางไป สินธาหดูใจนอเต้าจิงต้านเกาไข่จาวาตันนีนาใจยาบบสุภาพตามทำใจมัวดำกำกี้ลบหลีกลีสัญญาเ oh. กาวมสาจะถอยนีกาดก้อยเสียสินเป็นนารินเสียเป่าเป็นเต้าเจ้าเสียได้สัญญาไม้เป็นแก่นป้อยผ้าเล่นนีไก <c oughs> จุงเร็วไว้ย่าจ้าเอานางนอนลามาพันแดดเตอเมื่อนั้นนาการาจ้าขอท้าจริงตานก่าวกำไปว่าดูราใจาเดนไก่ต่างนามึงอย่าว่าจะ า, าย พี่ว่ามึงหม่ใครใดของเครื่องใจได้ได้เงินคำใส่มุกมาตั้งภาษาคำแดงตั้งเป็กแสงหลายสิ่งวัตถุยิ่งอุดมตั้งนางสะดมนมนาวพับตัวเต้าปารากูจักนำมาคือใดเต้าเว้นไว้แต่สุวรรณรังสี พระเจ้าเตวีน้อยนาดกูบออาจวางปันแม่นจักพันหืดใดยังนางนอไทยแปงเมืองมึงเตียงเคืองโศกเศร้าจักได้เข้ามารดาเบื่อ น, นั้นมหาสัจเจ้าจริงตันเล่าไรจ้า ว่าคาแดมหาราชเจ้าตนเป็นเก้าปุริสัญญาบีว่าไว้ว่ามักใดอันใดจงตามใจแห่งข้าบัดนี้เจ้าฟ้าองค์คำปอยละกาผู้เก่าบ่ฮือนั่งนอเนาโซฟา จำหาธานาะแห่งคาทรมลาบสาฟันแตงกำจะแข่งขานาดแม่นเต้าที่ราดห่อขวาง บ, ออบางง่อยอมวางปงปล่อยยังนางนัดน้อยสุวรรณนรังสีคาจักเอานีต่อหนะ้าปอกขึ้นกว่าเบืองอน้นจะเลยนะา <c oughs> วันเมื่อนั้นนากราจ า, ายดใหญ่ยินโคตรไม่เหลือใจจากํำไปตอบท่าว่ามึงถอยจาสามนานจะกำหานวดอูแม่นมึงหลูเอานางกูบอวางปองปล่อยมึงเตียงคอยว่ำวายอย่าได้ไมายปิกปอก วายนาออกเมื่อเมืองเจ้าบนเรืองน้อยนาติงโอกาสใครจะว่าแม่นมหาร า, าเชเจ้าบอหือนางหนอนเนาสุวรรณรังสี <c oughs> ตามกำ ม, มีว่าว้าเตียงจกักใดโสกาดตั้งพระเจ้าภัยน้อยจักกาดก้อยบำบายทั้นอย่าไม่รบภาบ <c oughs> เกณนขนาปราวีเราจักนี่ต่อหน้าเอานังนอลาตัวไปฮื้อหันใส่เป่งแจ้งบ่อใจแซงไข่จา้ากันนอปุธาก่าวแล้วกอถทอดดาบแก้วสลีกันใจรัศมีใส่ส่องต้องเข้าสู่ห้องสุวรรณรังสี ใค้วาตีบอกเล่าตั้งแต่เก้าตึงงปลายหื้อนั่งชมชายกินกู้ได้แจ้งรู้จูพักการแล้วนอปธที่ณันเจียงเจ้าก่อปานองเดาสุวรรณนรังสีผู้มีระคานาดีงามอาจลงภาษาหนีไปและน่าในกาละนั้นอันว่านาการาจาตันเตา ยินกอดเท้าเหลือแรงตาเป็นแสงว่าวูยกเอาหมูเสนาตั้งโย้านมเท่าไหลตัวเจ้าบุญมีเจ้าก็นีกาผากป้นเมืองนาไปปันพดด้ดงตันป่าไม้ที่จิมไก่ดอยภา อันโซนันตาเจ้าลี่อยู่เฝ้ากองตังนาบอว่างปวงป่อยไล่เป็นท้อยตัวหลังหนอพุทธังเจ้าฟ้าก็อวัยนาเรียวปันก่อเล่งหันหนักใหญ่ตั้งหมู่ไพเสนาไล่กันมาละลาดมาบอขาดเป็นสาย เต็มจูป้ายป่าไม้บ่อเว้นไว้ตั้งใดและนานากราจาอันว่าพญานาคริตที่มากนำนามีโกธาโคดใหญ่ร้อนเดือดไม่เหลือใจตาเป็นไฟมามาปร่องขนาบเสนาวาสูจุงดาเข้าไก่ ผัเปิดใส่เร็วปั่นเฮือตัวมันมวยหมอเต่าลงตอดเป็นพีนอมูนี้ตันไทยกอถอดดับได้เร็วไวแคว่งควัดไกววัดว่ารัศมีบาตตาจุม่มโยธาน้อยใหญ่เข้าบ่อไดถอยหนเล่นซาสนตั้งหมูไปลี่อยู่แด่นไก่ เจ้าหอใจนากราดสซำห้าหาดงนงานเสกมนคานใจจ้าเป่าสือนาเร็วัวกายเป็นไฟอันใหญ่ลุกโวไหม่ลา ม, มาหมู่ลุกคาต้นไม้ลมหมดไม่เป็นควันพอว่หันต่างกว่า ตัวแดนป่าเป็นไฟสินธนูใจดอนเอาก็เอาธนูเจ้ายิงไปลูกธนุไ้บ่จ้าปุ่งขึ้นฟ้าไปบนกายเป็นฝนหาไใหญ่ตกลงใส่ของไฟลวดหายไปต่อหน้าพ่อเป็นป่าสันเดิมก็มีหันและนะา ธาดนั้นไปไปนานาอยาจาราจาเป่ามนมาแถมเหล่าบดมืดเจ้าบางวันเบืชตึบตันจูดาวหนาวสะเต้าถึงใน <c oughs> เสื้อตาใสรำร้องเสียงมีกองดงรีเจ้าบุญมีน้อยนาดก็รีบาทธนุยิงเสียงดังพิงมีกอง เป็นแสงส่องใสมานาการาจ้าหันแล้วเป่ามนแก้วไปบนเกิดเป็นฝนหอกดาบตกผ้าผาผ้า พ, า, พายหินดินทรายก้อนใหญ่ตกลงใสตมนากนหินผาเต่าจ้างตกฝังข้างตาตุมตกมาสุมจุดที่บ่อเวนตีตั้งใด ให้ในไฟก่นการเสียงสะตานหิมมาปานหนอผู้บ้านน้อยนาตรีบยกวาดทะนุใจ <c oughs> แล้วยิงไปบ่อจ่าขึ้นส่ฟ้าเวหาเป็นลมมาทีบตองไปตกห้องแดนไก่ฝนหายไปต่อหน้าพ่อเป็นป่าดังอง่อน <c oughs> นาการวนร่อนไม่กาตำบอ่อใดเหมือนใจจริงเป่ามนไปแถมไม่เป็นนาคใหญ่นำนาเล่นเลยมาเป็นหมูแวดล่อมอยู่จูปไปพ่องตัว้ายกำเร้าตัวใหญ่เต่าลำตาลเล่นสนสารซาสูย่อคออยู่ปูนขัวพ่องมีตัวเต่าจ้างอาปากกว้างดากิน ภาพบนดินต้นไม้นากมีไข่ดวงลายไหลลุยลายละลือเสียงทืดอๆ น, นั้นลำตัวมันกรโกงเคียวงาทรงยาวา <c oughs> สองแกนตา ม, มามาปลกวาวาเป็นไฟพะเป่าปิดไปพระผู้ไหลเข้าสู่นอพุทธา เอากันมาแวดซองบ่มีปองตั้งนี้เจ้าบนมีน้อยนาดก็จริงว่าธนุญิงโสมกาดนิ่งมักไฟเป็นขุดใหญ่ตันตาบินพดมาเป็นหมู่เวียนแวดอยู่ไปบนเต็มเวหนหย่านกว้าง ตัวเต่าจังปังป้ายบินพันภายลายหลากจุมหมูนาเกล้งหันก่อกับพันหายขาดเหลือแต่นากะราตตนเดียวมันลเลี้ยวหันใส ย, ยังขุดใหญ่ลวงลายก็กลัวตายความนาเรียแปลนกว่าเร็วไว้ดีลงไปขุดคูยังที่อยู่เมืองมันก็มีหันและนาะ กันนากระจาหาดาวปิกปอกดาวเมืองตนดอตสะปนตีไว้ก่อปานางนาไทยสุวรรณรังสีหูมีลัาษนะดีงามอาจไปหานางนาสุนันตาตัดเยื่อพาตีเก่าดบกมเก่าจากไข้เฮใส่ใจอาไทยหัวแจ้งไขจพภาการก็มีหันแลนา ในกาลนันนางสูนันตาเจีงเจ้าหันลูกเต้าขึ้นมาสมนัสษาเจียนจ้อยกอดลูกน้อยใสใจจะรำไรหลยแหล่นำตาแพไหลย่าส่วนที่ด้างงามอาจคืนนางนาฏสุวรรณรังสีปีติมีมากเต้า นบบาทเจ้ามานดาไขาขีน้าลายแอะหือแกแม่ใสใจส่องดองไว้แม่ลูกตานถอยถูกจอมกันจนตาวันตามก้อยรับเรียมน้อยอยู่กันท่อนบอได้จอนกะภากออกไปจากเงือมผากสัทธาตั้งม่หลวดยั่งอยู่นอนใน นันตาวันใสรุงแจงหางดอลาสุนันตาจริงเจียนจาบอกเล่าฮแก่เจ้าบุญมีว่ากวรนเราดีอย่าจ้าออกจากป่าดงตันรีปเปลวปันไปสู่ยังที่อยู่ปัญจละนากร คือผู้ทรเจ้าฟ้าใดหันนาเราราานอปุถธาิธิราช จ, จริงโอกาสใครจะาว่าข้าแต่อาเป็นเจ้าข้าขอเล่าตามมีข้าได้เนี้ยจากห้องพระเตต้องปัญจาละนากรมาอยู่ดงดอนป่าไม่แต่อายุได้ปีปาย พระบุภายตนพ่อมีนางนอเตวีแปดนางมีหนุ่มเนาเตวีเก้าจือสวุวรรณปภามีบุตรตายนลากพอแต่หากเป็นสิ่งกายาคิงสะอาดดังลูกหลอดคำแดงฤที่แข่งแต่ใส สยองได้ไปบนแถมเจ็ดคนนั้นเหล่างามบวเศร้าเ ส, สมอกันเป็นปองปันปีน้องเกิดรวมต้องแม่เดียวมา <c oughs> พระมารดาแห่งขาเป็นน้องลาสุดปลายมีชื่อใหม่หมอกไว้ว่านางนัทไถปตุมมา ส่วนจายาผู้ปินับทวนทีหกคนอยู่ปายบนภาษาส ร, รวมเต่าราตระชามีบุตรตาลูกเตา่างามบ่อเศร้าหกใจรวบขิงภัยจูบผู้จังก้าวกํามบอนพระผู้ทอนตนป่อกึดหันต่อยาวไย <c oughs> เก่ากำปกางหมูว่าจากคือปู่โหราพ่อจ้าตาลูกเต้าหฮือหูเก่าแนวใหญ่แม่นคนใดบุญกวางจะคืออยู่สางแตนเมืองหฮือรุงเรืองป้ายนาหฮือไพฟ้าสดาดีนางเตวีผู้ปีใจกำกีหกคน ให้ฮือลูกตนจูฟูได้ยศอยู่จอมกันจริงตกรังวันหล่แหลยืนปันแกมอต้ายฮืออุบายขับไบเสงเต้าไทยพิตาว่าลูกเขานันนาบนกวางกวรอยู่สางแทนเมือง พระบนเรื่องป่อไทยบอรู้ใส่ดังมานจริงพิราช้าองค์การบอกเล่าเฮอหมอเทามาตายหมออุบายแต่งแสงเต็มเหล็กแทงเอาดีแล้วอันจุลีก้มเก่าไว้ป่อเจ้าราชาวาบุตตาแม่เก้าใจกำเศร้าเป็นสิง หาติปิงบ่ได้จกร้อนไม่ไปลุนบ่มีบุญสักหยาดเป็นอุบาทตัวหานสวนนันงองคานสุดซอยมีลูกหน่อยใจรำการอย่างามแต่เล่าหากเป็นเก้าสัตวถูถือทานูกับดาบใจฮึกหยาบนำนาถึงวันมาปลายนา เตียงจักขาตังเมืองจักแก่นเครื่องไผ่ไตร้อนเดือดไข่าปาราส่วนบุตตาหน่อเน่างามบ่เศร้าหกใจลูกนางชมชายผู้ปีกควรนั่งตีพัดยาบีบุญนามากวางควรสืบสร้างปุรีลูกเตวีแม่เก่า กับลูกนังหน่อเนาสุดปลายควนคนควายเฮอภาพ <c oughs> ออกไปจากเสียเมืองพระบุญเรืองตนป่อฟังคำสอโหรา <c oughs> มีอาจญาปงขาดเฮา อ, อาจาค้นหันเอานั่งนงคานแม่เก้ากับนังหน่อเนาสุดปลายกับลูกใจอ่อนน้อย ไปละปล่อยดงไพรห่นตั้งไก่ลิ้วโลดลายสิบโยดกะนานาหึงเหมือนมาแต่เล่ายังมีพรานเท่าวนนันจอนรอดดงดดนไปรอดใดยังจอดนอนไหนแล้วบอกไปบอกข่าวแก่ลูกเต้าหกคนเขาวเววนไว้วันส อ, สอดดันไปหา เดียวไปมาหลายเตือบ่บอรังเรือเน่านานพระภูบาลป่อไทยมองหม่นไม่คะนิงหาหยังตัวอาออกเจา้า <c oughs> จริงเหือโลกเตา่าหกคนเขา้าไพรสนป่าไมมาซอไสหาเขาก็มาบอจา่าบอกคือขา่าลานใจ เออผ่านพ่ายสอดอเดินดันหลอดด้งดาฮือได้อาเป็นเจ้าปิ๊กปอกเต่าไปปั้นจุม่มเขามันตั้งหมูย่งถ่าอยู่ดอนทราย <c oughs> ริมฝั่งทรายแม่กว้างเกือตาตั้งกงกาฮออพาตาปีเก้าคือว่าเจ้าสุวรรณสิงเป็นตีปิ๊งแห่งข้า ยังอยู่ท่าจอมเขาเพื่อบันเต้าหอมปองหกปีน้องเขามันค้าจริงพันเข้าป่าเดินดันลาดดงเขียวเต้าตนเดียวบบมีเปือนบุญดันเถือนดงตันลายคืนวันว่าไขจริงจวบใส่ยังอาแถมทีดานนอน้อยงามจีนจ้อยวันวัย ส้มดังใจไฟอ้างบ่อเลือข้งตั้งได้กวรเร็วไว้ฝั่งเฝ้าไปสู่ดาวดอนสายอันหกใจพี่น้อง <c oughs> พงท่าซ่องกองหันกันว่าพันไปรอที่เข่าจอดตราจักเฮืออาเจีองเจ้ากับหน่อเนาสุวรรณรังสี <c oughs> ไปปุรีเบืองกวางกับหลวกเจ้าจังหกคนข้าจักห่นไหวนาอยู่ในป่าดงดำตามดังคำป่อไทยหากขับไล่จำ ม, มากับมันดาหมอนน้อยเทวีส้อยสุดภายและนังงชมชายแม่เก้าอันเป็นแม่เจ้าสิงหาราชบุญมี <c oughs> อยู่ดงรีป่าเศร้าตามวิบากเก่าป่ามาอยู่ดงนาจ้าใจบอดด่ออาดเมื่อเมืองแลนา่าทางสุดตานางสุนันตาหน่อเน่ า, นาฟังํำเจ้าใครจ่ายินคุณนะาเลือแเล้นำตาแพ่ไหลลมไข่กำงามอ่อนอ้อย เรี่รำถอยลายพาการคือนอผู้บ้านหลานไทยหายสกไปเครื่องใจทัดนั่นไปไปนาเจ้าดอลาบุญนากับตังอาเจียงเจ้าแลนางดอเนาสุวรรณรังสีกอละนีกาพาก ออกไปจากเครื่อมผาลัดดงนาปากกว้างเพื่อสู่ตาตั้งดอนสายลวดไปไกยตีไก่ผ่าสัตย์ใหญ่อนุราชยักขาผู้เป็นผ้าตาปีเก้าแห่งแห่งยักษ์บาปเศร้ากุมพันนอนรับฝันพุงตื่นยังบ่จื่นตาดีครบสามปีครบเก้าวันสามเจ้าไปตึง กันสามเจ้าไปเติมมันร่ำเปิงพ่อคอยหันหนางดาต้อยสุนันตา <c oughs> ปู่ย่าขําจำได้ว่าแม่นลองไปตนกูมันมาจูถามข่าวว่าสูฟังเฝ้าไปในสินธนุใจที่ราชจริงโอกาสเจียนจ้า ว่าพระพิตาป่อคาอันเป็นเจ้าฟ้าปัญจาลนากรยินนาวรร่อนไห้ไข่หันน้องไทยสุนันตาแม่นพิตาป่อเจ้าบ่าหันน้องเน่าใสาใจเตียงตายไปเป็นแก่นข้าติงเล่นเร็วมาแอวดงนาป่าไม่เปื่อซซอไซหา <c oughs> ปตีนาจบแล้วจักกาดแก้วเมื่อเมืองหื้อเต้าบุญเรืองตนพ่อได้เล็งพ่อยังอากันโศกามัดไม่แห่งป่อไทยบบาบางจักป่าดางอาเจ้ามาตีเก่าดงดานบ่ปอนานแต่เล่าจักคือปอกเต้าขึ้นมา ฝ่ายยักษ์ขาอนุราชฟังโอกาสกำจาแห่งนอปุท ธ, ธาเป็นเจ้าจริงทมเล่าเร็วปันหวายักษ์กุมพันน้องคาไป <c oughs> ลีนาเสียนายเป็นสันไดใจเศร้าปล่อยสู่เจ้าเตียวไปกลางดงไผ่ป่าไม้ไผ่ใหญ่บีลหลเตียงจักตต่ความนา บ่ได้กว่าถึงเมืองกูยินเครื่องแต่เล่ามันสั่งบ่ทรงสู่เจ้านันจาโนปุธาหยอดซอยจริงตอบท้อยเร็วปัน <c oughs> ว่ากลุ่มพันยักษ์ใหญ่พงลับได้ปีปลายบ่มีหมายจักตื่นปิ้นปิกฟื้นมืนตาตูคาลาหลาปอกเตียวเขาออกหลายตียังลับดีมาโมย บอกเกาวถอยกำได้จักรอไปเดินจ่าเหนียวเจ้าฟ้าราจาอันเป็นพิตาปอข้าตุกโซกาถึงตายข้าจิงผันภายเตี้ยวกว่าปิกปอกนาเมื่อเมืองกันพระบุนเรื่องป่อเจ้าหันนองเดาสุนันตา <c oughs> กำโซกาหายขาดจักนำดนังนาขึ้นมาจำแลนา ฝ่ายยักษขาอนุราชฟังโอกาสกํามดีกึศวามีเตียงแต้จริงเก่าแก่นอพุทธาว่าลุงจักป่าสู่เจ้าเตียวไต่เต่าเดียวปันตาเวสุวรรณยศใหญ่แบ่งเขตไว้ปั่นลุงแต่ด้อยสูงไกลลาดไปถึงหาดกงกาลุงจักป่าสู่เจ้าไปต่อเต้าสุดแดน มันก็แบนมือทากำเจ้าฟ้าสามองค์ยืนข้ามดงป่าไม่ไปวังไว้โดนท้ายมือยักหายต่อหน้าบ่ได้จ้าเร็วปัน <c oughs> สามเจ้าหันยินหลากร้องออกปากอาซาจันแดนาอาธาในกาละนั่นหกใจรมหนุ่มเดา <c oughs> เล้งหันเจ้าหนอปุถามปอกขึ้นมามีกู่เขาขิดดหูในใจว่าสินท่านใจน้องลาไปแอวป่าดงตันเปื่อจากผันซอไซยังอาไทยสุนันตาเตียงได้มาเป็นแก่นเขาก็เล่นมาไว จากําไปถามข่าวเสียงซาเศร้านันหูตนบุญจูนเนาเกาบอกเล่าตามมีเขายินดีจื่นสูโหร้องอยู่เรืองนั้นแล้วเอากันน้อมใบยังอาออกไทยสุนันตาข่าทุนสาถามทีเฮือเสียงตีสงสัยสลีนองไว้หยอดซอยกอ็ตอบถอยกําวาน อือ้ใจลานจู่ผู้ใดแจ้งรู้จู่อันอันนางก็พันถามข่าวถึงตันเต้าในเมืองว่าพระบนเรื่องพี่เจ้าอันเป็นเก้าผาปุรียังอยู่ดีจ้าใจบ่ร้อนไหมสั่งจา้า เจ้าปราชูพูยังก่อยอยู่เย็นใจบอมีภัยพัาตมาต้องปาดปุรียังสวดสดีดังเก่า <c oughs> บอสกเศร้สาสังเจมักัญญานนอยนาฏและดังราตทวีตั้งมนทีดุมเท้าอามาัดเก่าและคนหาญ บ่อมองผ่านสอกเศร้าทุกคำเจ้าเทยบ้านจะรือวานเมื่อ น, นั่นหกเจ่องจันลานใาย่ <c oughs> อเมื่อถอยน้อมใบ ย, ยังอาไทยสายตาไขขีดาเก่าเฮ อ, อารู้จูพักการอาทำล้านทวนทีลานก่อจีจะไข ลานทำไปบ่อน้อยอาตอบถอยเร็วปั้นต่างทำกันตอบทองตัดติห้องดอนสายด้วยป่อรียายบ่อน้อยสนสืบทอยนานาก็มีวันนั้นและนะตาสามังกันดังเนี่ตังกียาสังวันานานาวิเศษจาห้องเหตุสังสินธนูใจ พวกทวนซิบก่อังคมสมริดเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล้ว